เจ้ที่ต้องการที่จะศึกษาปฏิจจธรรมุปบาทไม่ต้องไปซื้อหนังสือเล่มโตๆคนเล่มหนึ่งหลายร้อยถ้าใครจะศึกษาออกมาปฏิบัติเอาเล่มนี้เล่มเดียวพอเล่มละร้อยเล่มละร้อยแต่ต้องไปซื้อที่ สวนโมกกรุงเทพที่เอ่นอา จ, จะไม่มีเนี่ยดูจะมีภาพปฏิจจธรมุปปะบาทเล่มนี้ถ้าเราจะเป็นนักปราชกก็ต้องเอาเล่มโตๆโตโตอ่านกันปีหนึ่งก็ไม่จบหลวงพ่อไม่เคยซื้อแต่ว่าเล่มน้อยออกใหม่ไปสวนโมกท่านอาจารย์ท่านก็ ถวายให้เสมอแต่เล่มใหญ่สำหรับนักปราชแต่เล่มของเราที่ปฏิบัติโดยส่วนตัวเอาเล่มนี้พอรู้อวิชชาจังการวิญญาณนามรู้พยาธนาผัจเวรยานาตนาอุปาทานพบชาติทุกแั่นี้สูตรนี้ต้องท่องให้จำ อวิชาสังขารวิญญาณนามรูปายะตนะปัตตาเวทนาตัณหาโอปาทานภพชาติชรามรณะโสกกปริเทวัตุกัโตมณัตสาอุปยานนั่นคือทุกทุก ใ, ใครจะจดก็ไปจดที่วงกลมปฏิจจ a t ุปบาทหน้ากดติหลวงพ่อเจดหลวงพ่อนั่งติตรงนั้นวิชาเปรียบเหมือนคนตาบอดตามที่จริงอ่ะมันใจบอดอวิชาเปรียบเหมือนคนตาบอดสังขารเหมือนคนปั้นหม้อเอาดินเหนียวมาปั้นหม้อวิญญาณ เหมือนลิงได้แก้วนามรูปเกิดกายกับใจเหมือนกับคนคนอะไรคนปายเรือคนปายเรืออายตานะบ้านหกหลังหรืออาจจะหลังเดียวก็ได้แต่ว่ามันมีประตูหน้าต่างหกบ้าน ก็คือเรานี่แหละคนหนึ่งเมตตาหูจะูหมลิ้นกายใจผัสสะการกระทบสามีภรรยาที่นั่งพรอดกันคู่รักผัสสะเวทนาความพอใจไม่พอใจเฉยๆมันคน อะไรตรงนี้เวทนาเวทนาเหมือนอาไปดูในรูปรูปที่ที่ปั้นนะั่นแะที่วงกลมตัณหาเหมือนคนติดเหล้าติดเหล้าแต่เดี๋ยวนี้มันพัฒนามากกว่านั้นนะติดไอโรอีนติดยาบ้า ปัญหาอุปาทานเหมือนลิงขึ้นต้นไม้มือไม่ว่างมือไม่ว่างพบเหมือนคนตั้งคันเคอเอาความยึดมั่นถือมั่นอเข้าไปคิดอยู่ในใจแล้วก็คลอดออกมาเป็นทุกคลอดออกมาเป็นทุก ปบปบคิดเวียนไปเวียนมาเวียนมาเวียนไปชาติชาติคือคลอดแต่ก็าทำรูปที่คลอดลูกแต่ทางจิตใจนี่คือครอคลอดความรู้สึกออกมาครั้งหนึ่งก็เป็นทุกข์ทีหนึ่งชาติ กรอดออกมาทีหนึ่งทุกทีหนึ่งกรอดออกมาทีหนึ่งทุกทีหนึ่งแอนนอกนั้นก็เป็นจรามรณะโสกาปริเทวะทุกขโตว่นั่สาอุบายาตความเกิดเป็นทุกขความแก่เป็นทุกขความเจ็บเป็นทุกความตายเป็นทุกขความพรัดพรากจากของรักของชอบใจเป็นทุกข์มีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุก ว่าโดยย่ออุปาทานกันด่งงางเป็นตัวทุกขงั่นก็เราก้าวยึดมันเถือมันในรูปรูปเราและรูปสิ่งอื่นคนอื่นรูปเป็นทุกเวทนาความพอใจไม่พอใจเป็นทุกสัญญาความจําความมั่นหมายก็เป็นทุกสังขารการคิดการปรุงกันแต่งที่ยึดมันเถือมันก็เป็นทุก วิญญาณคือตัวความรู้สึกที่ปราศจากสติปัญญาก็เป็นทุกข์ไงว่าโดยย่อโอปาธานกขันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์นั่นเนี่ยเราไม่เราไม่ต้องนั่นมากหรอกเอาแค่นี้พอไปจะจดมันมีตัวหนังสืออยู่ด้วยไอ้รรปปั้นตัวเล็กๆกัน ไปวงกลมนกะคุเตีลงพ่อเทนี้อวิชชาเนี่ยมันรู้จักยากเราต้องจำไม่ได้อวิชชาสังขารวิญญาณนามโรคพยาธน า, า, ธน า, นาปาานาัจจเวทนาตัณหาอุปาทานภพชาจรามรารนณะโจกาปริเตวะแล้วก็ทุกเทนี้ถ้าเราไปแยก ก็มันมีสายเกิดสายนั้นก็เรียกว่าสายเกิดมันมีสองสายสายหนึ่งสายเกิดสายหนึ่งสายดับทีนี้ในการปฏิบัติเราต้องปฏิบัติตามอริยมร๊ะไม่มมองแปดตามอริยมร๊ะไม่มองแปดเราปฏิบัติปฏิบัติแล้วเกิดตัวรู้ขึ้นมาอันก็แบ่งแล้วทีนี้มันแบ่งแยกแล้ว แบ่งแยกเป็นสองสายแล้วถ้าเกิดตัวรู้ขึ้นมามันก็จะแยกถ้าไม่เกิดตัวรู้ขึ้นมาไม่ได้แยกมันอยู่กับความทุกข์อย่างเดียวถ้าแยกเนะี่ยมันเกิดปฏิจจาปประปมบบาสสายเกิดสายดับปฏิจจาเนี่ยแปลว่าอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นอาศัยกันแล้วก็เกิดขึ้นปฏิจจา์อาศัยกันแล้วก็เกิดขึ้น อาใจการแล้วก็ดับลงสายดับอันนั้นคือสายดับสายเกิดของอวิชชาเกิดโง่เกิดอะอวิชชาเกิดสังขารเกิดวิญญาณเกิดนามรูปเกิดอายตนาเกิดปัจจาเกิดเวทนาเกิดทนาเกิดอุปาทานเกิดภพเกิดชาติเกิดทุกเกิดสายเกิด มีประจําวันจะให้เกิดมีประจําวันเมื่อเรากล้าไปยึดมั่นติวมันอะไรมันจริงก็เกิดเกิดเกิดเกิดเกิดเกิดไม่หยุดรักใครสักคนหนึ่งก็เกิดไม่หยุดเกลียดใครคนหนึ่งก็เกิดไม่หยุดอมันเกิดทางนั้น่ะรักก็เกิดโกรธก็เกิดโลคก็เกิด โง่ก็เกิดเกิดไม่หยุดอเรานี่เกิดวันไม่รู้กี่ครอกก็เราไม่รู้ทันมันนั่นคือสายเกิดมันเกิดทางตามันเกิดทางหูมันเกิดทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเมืเกิดแล้วมันก็ยึดมั่นถือมั่นโอปาทานนะออปาทานอาวิชชา ตัณหานี่สันส้นๆอวิชชาตัณหาแล้วกดทุกอวิชชาตัณหาดูปาทานแล้วกดทุกงั้นสายโ ย, โย่อๆสายโ ย, โย่อๆปฏิจจ ata โมกบาทสายย่อที่ทำให้เกิดทุกทีนี้สายดับสายดับก็เอาวิชชาดับ สังขานดับวิญญาณดับนามรูปดับยัตนาดับปัจจาดับเวทนาดับตัณหาดับกูปทานดับพบดับชาติดับทุกข์ดับนั่นสายดับเราจะเอามาจากไหนฮสายดับเนี่ยมันมีแต่อยลุกโผลงโรลงโรลงโรลงโรลง เราก็ใส่เชือเก้าไปใส่เชือเก้าไปใส่เชือเก้าไ ป, าไปตาเห็นหูได้ยินจามูงได้ยินได้กลิ่นลิ้นริมลิ้ น, น, นกายสัมผัสใจรู้ธรรมารมณ์ยึดมั่นถือมั่นหมดงั่นสายเกิดทุกเที่นี้พอสายดับทุกต้องปฏิบัติตามอริยมรัก สรร ม, มาทิตติสัร ม, มาจังกับโปธรรมาวาจาธรรมากรรมมันโตธรรมาอาชีโวธัร ม, มาวายาโมธรรมะสติสัร ม, มาส ม, มาธินั่นสายดับทุกข์ต้องปฏิบัติตามอริยมรรคไม่องแปดเปนเนี้ว่าเราปฏิบัติจริงหรือไม่จริงภาวนาจริงหรือไม่จริงพิจารณาจริงหรือไม่จริง ถ้าเราปฏิบัติสายดับก็เกิดเห็นอริยสัจทีนึงเห็นอริยสัจอริยสัจสี่เนี่ยทุกขโมยตายนิโรธอริยมรรคเห็นสายเกิดแล้วก็เห็นสายดับเห็นสายดับทุกสายดับทุกออกนะ็คืออวิชาระเจตโง่น่ะคือเจตโง่ อวิชชาเหตุเกิดของอวิชชานั่นอริยสัจแล้วอริยสัจแล้วอวิชชาเหตุเกิดของอวิชชาเหตุเกิดของอวิชชาก็คือสังขารนั่นแหละอวิชชาเหตุเกิดของอวิชามันออกมาปรุงออกมาแต่งออกมาคิดแต่ดับดับความคิดปรุงแต่งนั้นแหละ อวิชชาเหตุเกิดของอวิชชาตัวที่สามความดับอวิชชานิโรธนิโรธอวิชชาคือจิตงโง่เหตุเกิดของอวิชชามันปรุงแต่งโลภตัวสะโมหานั่นใจเกิดใจเกิดใจเกิดทุกข์ เราต้องรู้ว่าทุกนี้มันมาจากไหนอาวิชชาคือเจ็ดโง่โง่เพราะอะไรโง่เพราะไม่รู้จักโลภโทสะโมหะงันเหตุเกิดของอาวิชชามันเอามาปรุงแตง่งอะโลภะกูอยากรวยอยากรวยอยากรวยอยากสวยอยากสวยอยากดีอยากดัอกดงอยากเด่นเหตุเกิดของอาวิชชา ความดับของอวิชชาต้องปฏิบัติตามอริยมรตมนองค์แปดเกิดเป็นเกิดปัญญาขึ้นมาเอาไปดับนิโรดนั่นคือนิโรดดับที่ตรงไหนดับที่เหตุเกิดของมันก็คือโลภะโทสะโมหะอวิชชาเหตุเกิดของอวิชชาความดับของอวิชชา พอไปตัวที่สี่ก็หนทางให้ถึงความดับของอวิชชาธรรมาทิตถิธรรมาฉังกับโปธรรมาวาจาธัรมากรมมันโตธรรมาจีโวธรรมาวายาโมธรรมาตาติธรรมาตรมาทินั่นต้องปฏิบัติตามนั้นนั่นนั่นแหละฉะนั้นอริยสัจสี่ที่เป็นปฏิจจธรรมอบประบาท ก็คืออริยสัจสี่พิสดานแต่อริยสัจสี่สี่ข้อโดยย่อโดยโดยอ่อเห็นไหมเนี่ยฉะนั้นเราอยากคิดว่าอาริยสัจสี 4, ไม่สาคัญอริยสัจสี่ขวายเกิดทุกข์กับขวายดับทุกข์ที่นี่โดยพิสดานโดยละเอียดขวายทุกข์ คือคายเกิดทุกข์อวิจาจังการวิญญาณนามรูปยตนาผัสสะเวทนาตาหนาุปาทานภพชาติจราเมรณะโสกาปริเทวะทุกโทมณเาอุปายาสะด้วยอุป า, ายปาธทีนี้สายดับสายดับนี่แหละเราต้องเอาาริยสัจสี่นี่แหละเอาไปพิสูจน์วิจาดับ ทางขารดับวิญญาณดับนามรูปดับอายตนาดับปัจจาดับเวทนาดับตัณหาดับอุปาทานดับพบดับชาตดับทุกข์ดับเป็นสองสายอยู่อย่างนี้เป็นสองสายทีนี้ตาใ้เกิดขอรเราไม่รู้อริยสัจสี่ทุกจนตาย น่าเกลียดไ้ยลองคิดดูดิเกิดมาเป็นคนเป็นมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนตายทุกจนตายโง่จนตายน่าเสียดายไหมทีนี้ถ้าเรารู้ทางเดินที่พระพุทธเจ้าทรงชีแ้แนะเราก็อยู่กับความดับเย็น อยู่กับความดับความเย็นปราธจากความทุกข์แล้วก็ได้ช่วยเหลือตัวเองได้ช่วยเหลือผู้อื่นดีไหมลองไปคิดดูดีเนี่ยไม่ต้องรู้วย ม, มากยากนานรู้น้อยพลอยลาคาแรรู้น้อยนอยพอไม่ต้องรู้เป็นนักปราดหรอกรู้น้อยน้อยรู้เรื่องดับทุกข์นี่แหละพอ เทีนี้ถ้าเป็นภาษาบาลีอวิชชาปัจจยาปัจจยาแปลว่าปัจจัยแปลว่าปรุงแต่งอวิชชาเป็นปัจจัยปรุงแต่งสังขารสังขารเป็นปัจจัยปรุงแต่งวิญญาณวิญญาณเป็นปัจัยปรุงแต่งนามรูปนามรูปเป็นปัจจัยปรุงแต่งอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะเป็นปัจจัยปรุงแต่ง ป mm ัจจาร yeah. ์เป็นปัจจัยปรุงแต่งเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยปรุงแต่งตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยปรุงแต่งอุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยปรุงแต่งพบพบเป็นปัจจัยปรุงแต่งชาติชาติเป็นปัจจัยปรุงแต่งสรามรณะโสกกาภริเทวะทุกขโทมานัสเจาวปายาตนั่นเคยปรุงแต่งทุก ทีนี้เราปฏิบัติตามอริยมรคมนองค์แปดเราก็ได้ตัวดับมาก็คือนิโรดนิโรธตัวดับแต่ตัวดับธรรมดาเหมือนกับว่าควยมันลุกโปร่งโปร่งโปร่งโร่งโร่งโร่งอยู่ก็ต้องเอาน้ำมาดับเองาน้ำที่ไหนบ่ก็ยังไม่ได้ขุดสาก็ไม่มี ปลาปาก็ไม่ได้ต่อน้ำนะ่ะเทได้เกิดน้ำนะ่ะพระพุทธเจ้าบอกไว้เราหมดแล้วต้องปฏิบัติอริยมรรยองแปดให้มีพลังพอเกิดพลังเต็มที่ตัวดักก็มาแล้วนี่โรธนิโรธก็มาแล้วนั่นก็นคือน้ำการกดบ่ก็คือการปฏิบัติ กดบอแล้วก็จะพบน้ําพบน้ําเอาน้ํานั้นมาดับไฟดับไฟในร่างกายก็คือความร้อนเอาน้ํามาลูบเอาน้ํามาอาบเอาน้ํามาดื่มควในร่างกายแต่นี้ควายจิตก็เอาอริยามรรคหน่อยนะทำปริมอริยามรรคปฏิบัติต า, ามอริยมรรคทั้งปัญญา ตั้งศีลตั้งสมาธิให้มีพลังพอมีพลังแล้วเอาน้าเวลาไหนก็ได้จะดับเวลาไหนก็ได้ดับที่ตรงไหนดับที่เหตุเหตุให้เกิดทุกข์แล้วมันอยู่ที่ตรงไหนไปหาเหตุที่จะไปเกลียดมันความทุกข์จะไปเกลียดมันความทุกข์เกิด เพระเาะปัจจัการกระทบพอกระทบแล้วโเราข้าไปยึดมัน่นถือมั่นมั น, ม, น, ม, นมันก็เกิดอยู่อย่างนั้นนทีนี้มันก็ดับไม่ได้เนี่ยความทุกข์นั่นแหละทาให้เราต้องวิ่งหาธร ร, รมะแค่ด้านวิ่งหาธรรมะจะหาธรรมะท่านไปหาที่ไหนอ หาไปหามาอ้อยู่ที่ตัวนี้เองอยู่ที่ตัวกูเองก็เอาตัวกูออกไปเสียมันก็เย็นแค่นั้นเองมันอยู่ที่ตัวกูแค่นั้นเราจะไปจากร้อยจากพันสำนักไปศึกษาไปปฏิบัติถ้าดับตัวกูไม่ได้กูปล่อยรอบโลกนี้ก็ได้ คุณจะไปดวงจันทร์ไปดาวอังคารไปดาวพฤหัสไม่เจอหรอกไปที่ไหนก็ไม่เจอหรอกว่ามันอยู่ตรงนี้มันไม่พบหรอกฉะนั้นวิธีดับต้องข้าหาพระพุทธเจ้าธรรมะที่พระองค์จ ะ, จะรู้คือเรื่องอริยสัจสี่โดยละเอียดก็ออกไปเป็นปฏิจจสมุปสัน ปฏิจจาระมบปาบาทอีตัปัจจะตาอนรุปกิจทูกศิษย์หลวงพ่อว่าโอ้ยหลงพ่อผมอ่านยังอ่านไม่ออกเลยีตัปปัจจะตาปฏิจจาระมบปาบาทอ่านอย่างนั้นตพรสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นจึงนี้จึงเกิดขึ้นเพราะสิ่งนี้ไม่มีนี่ตัวดับ เพราะสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีเพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับเพราะอวิชชาดับสังขารจึงดับเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับเพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับทีนี้ในนั้นมันมีเหตุผลเหตุผลเหตุผลเหตุผลอยู่ในนั้นหมดอวิชชาดับเพราะเราปฏิบัติตามอริยมร๊อกม่องแปร อาวิชาดับเพราะอาวิชาดับทีนี้อาวิชาดับก็เพราะว่าเราเห็นว่าอาวิชาคือตัวจิตงโง่งโง่เพราะกล้าไปยึดมั่นถือมั่นโลภะราคะโทสะโมหะเอาราคะโทสะโมหะออกไปเสียทีนี้ราคะจะดับเป็นยังไงเราเป็นโยมจีเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายหลอ เราก็ชอบเขารักเขาที่ตรงนั้นตรงนี้ตรงโน้นทีนี้เราก็ใชายหลักอัถุภักกรรมฐานพิจารณาสวมติมผู้ชายรอๆตั้งหมดล่าไมาห้หมดที่เป็นพวกดาราสมมตแว่าพวกนั้นมันตายเอามาวาเอามาวางไว้เป็นกองเลยต อ, อนแรก อันที่ตายใหม่ๆพิจารณาอ่าวันที่สองไปยืนพิจารณาอีกวันที่สามวันที่สี่วันที่ห้าวันที่หกวันที่เจ็ดเป็นยังไงนี่ฮันเป็นยังไงเหอผู้ชายเห็นผู้หญิงก็เหมือนกันทำอย่างนั้น น, ะนี่เรียกว่าอัตุพระภาพอัตุปปพระอัตุพระแปลว่าไม่สวยไม่งาม ไม่สวยไม่งามถอยแล้วทีนี้จย่าว่าวันที่สามสี่ห้าเลยวันแรกก็จักจะถอยแล้วหน้าตาบิดเบี้ยวจกกระโปกวันที่สองน้ำเหลืองน้ำเน่าไหลออกมาถอยแล้วเหม็นแล้ววันที่สามมแรงวันไปช่วยกันทำบุญนอนก็ยุบยับยุบยับยุบยับ นี่สวยแล้วทีนี้วันที่สี่วันที่ห้าอีกาก็มาเจกลูกกตาอีแรงก็มาเอาปอดเอาลำไส้ก่อนยิ่งสวยไปใหญ่เลยนี่ราคะโลภะราคะหรือโลภะนี่ต้องใชอ้อาจถุพระกรรมฐานท่านหลวงพ่อทำยังไง ปฏิบัติหลวงพ่อตอนที่เป็นสามเณรเนีย่ยโอ้หลวงพ่อชอบพอสมัยก่อนเนี่ยพอไปอนิจจาว่าตสังขารา mm hmm. เขาจะเปิดทีบศพเลยแต่คนนั้นวาสามคืนไม่เท่าไหร่ห้าคืนหกคืนเจ็ดคืนเขาก็าาร่ำรวยนี่เปิดทีบศพออกมาชึ่งเลย ไม่ต้องห่วงโอ้ยคุณแม่คุณพ่อเป็นที่รักของลูกๆน้ำอบน้ำหอมไทรก็ไปเต็มหีบรบพรมพรมพรำพรำพรำ พ, ร พ, ร พ, รพรชึงออกมาแยกไม่ออกไม่รู้เหม็นหรือหอมรวมกันหมดเราก็ไม่รู้จะทำยังไงองเอาจีวรมาปิดจมูกมันหายใจไม่ออกเนี่ย ทีนี้ดูดิตาก็ถลนออกมาน้ำหน้าก็ไหลออกมาทางปากนอนก็ยุบยับยุบยับเพลายไหลืนนี่นี่อาถรุพาะทางนั้นหลวงพ่อเจริญอาถรุภระกรรมฐานมาตั้งแต่เด็กนักเรียนชั้นป .1 ป .2 ออนุ่นเพราะในวัดเนี่ยเรงเรียนวัดนี่ได้ดูอาถรุภระกรรมฐาน ติดอกติดใจมาเรื่อยๆมัานอาจจะเป็นอุปนิสัยก็ได้บอกไม่ถูกพอมาบวชข้าวพอมาปฏิบัติโอ้จะไปที่ไหนไปสำนักนั้นก็มีรูปถ่ายให้ดูไปสำนักนี้ก็มีรูปถ่ายให้ดูไปสำนักโน้นก็มีอะไระมีกระดูกห้อยตรงเตงตรงเตงให้ดูมันไม่ค่อยจริงเท่าไหร่ ต้นจะบับที่จริงอยู่ที่ไหนคิดไปคิดมาไปโรงพยาบาลตารวจดีกว่าไปโรงพยาบาลตารวจผนเอกผ่าตัดาเขาก็ไม่ได้ให้ข้าวง่ายง่ายหลวงพ่อกอ็หาวิธีเพื่อนหลวงพ่อที่พัทลุงนี่เพื่อนพระนี่เขาทากองขังหลวงพ่อโตหลวงพ่อทวดหลวงพ่อ อะไรอะไรก็คุดมาทำหมดแหละตายพปกีรสมพนันธแล้วก็คุดไ่ทำของขลังหมดหลงพ่อเอ้ยข้านหมาผมขอลองพ่อที่ขลังขลังจะกอบหนึ่งเนี่ยแกนี้ทีนี้ก็ไปใจย่ า, ยามไปไปโรงพยาบาลตำรวจ เอาใครต้องการอันนี้มั่งนี่สักผิดนะเขาอ้อนะนี่เขาอ้อนะโอ้หลวงพ่อก็ข้าวสบายนี่เห็นไหมมันต้องใช้เล่ใช้เหลี่ยมกันมั่งอย่กว่าต้องมีเทคนิคเราไปดูไม่ต้องปิดจมูกไม่เป็นไรจะดูศพไหนสบายหมดจะดูที่เขาปาตัดสมองเลยดูที่เขา ปาตั้งแต่ใต้ลำคอลงไปถึงใต้สะดือเอ้ยรแล้วก็ก็ฉีกออกพอฉีกออกมีตับมีไตมีไส้มีปุงมีปอดมีอะไรต่อรู้ส บ, สบายสบายสบายนี่อรูป ะ, จะเจริญอรูปะแค่นั้นพอเราเห็นโอ้คนนี้ดาราสวยเอาภาพนั้นเ่ยไปทาบง่ายมันเลยทาบงห้มันเลยโอ้ยนี่มันอย่างนี้เอง ก็อีกแก่นี้แหละอีกแก่นี้แหละไม่สวยก็แก่นี้หลอก็แก่นี้ไม่หลอก็แก่นี้แม้แต่เห็นในโทรทัศน์ที่มันออกมาโฆษณาเลยยก็อีกแก่นี้แหละก็ไม่ดูมึงแล้วเบือ่อไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายหล้วมันหลอกเราทางนั้นนี่คืออาตูปะกรรมฐานอาตูปะกรรมฐาน ต้องดูตัวจริงของจริงกลิ่นจริงกลิ่นก็กลิ่นจริงไม่ใช่หลอกลวงปล่อยสามครั้งโรงพยาบาลตำรวจจนพวกหมอป่าตัดรบก็รู้จักหลวงพ่อหลวงพ่อหลวงพ่ออ่านี่นี่ผมจะให้ดูพิเศษเลยวันนี้วันนั้นปอย เดินยังไม่ถึงโรงพยาบาลเลยข้าไปบริเวณแล้วแต่ว่าเดินยังไม่ถึงยังอยู่ข้างนอกโอ้ยวันนี้ทําไมกลิ่นมันฉุงเหลือเกินพอข้าวไปก็บอกโอ้วันนี้หลวงพ่อครบเจ็ดวันเจอสิบ้าวันเขาจะโลตีหนึ่งสอบที่เจ้าของก็ไม่เอาแล้วเพราะเขาต้องใจลิ้นชักลิ้นชักลิ้นชักลิ้นชั ก, กเอาไว้ พ่อผ้าขาวสายสินมัด้โอ้พิเศษสำหรับหลวงพ่อวันนี้นมตใ น, นมดใ น, นมดหลวงพ่อก็ปล่อยก็ชักออกจากดินชักอุ้มออกมาวางบนเตียงตัดสายสินตัดตัดตัดตดตดโอผ้าขาวออกไม่ต้องพูดถึงทีนี้เหม็นก็เหม็นเพราะเขาจะเอาไปวัดดอนแล้ววันนี้ ไม่มีเจ้าภาพให้วัดดอนเป็นเจ้าภาพทั้งนั้นอยู่ที่นั้นเสร็จแล้วเป็นยังไงหลวงพ่อถึงเวลาไปแล้วทีสิบเอ็ดาไม่รู้ัดฉันอรีอยดีฉันลาแล้วลาแล้วโยงขอบใจขอบคุณมากๆจับรถแท็กซี่บอกไปร้านอาหารก็ไปถึงเาก็ขายก๋วยเตี๋วก็ดีหลานนั้น ก็ไอ้ที่ไม่มีเนื้อไม่มีหมูไม่มีไอสัตว์นี่มีไม่บอกว่าไม่มีหลวงพ่อโอ้ไม่รู้จะฉันอะไรฉันไม่ลงทีนี้ก็นั่งอยู่แป๊บหนึ่งไอ้รี่มันขายนั้นเนี่ยจำพู้บ้างมะม่วงบ้างกองดองอะ่ะบอกว่าไอ้นี่แวะหน่อยแวะหน่อยแวะหน่อย ก็เลือกอาผลไม้พวกเปรียปร้ยวๆพวกอะไรพวกนั้นเลฉันไม่ลงฉันไม่ลงเลยทีนี้อีกครั้งหนึ่งก็บอกรถเท็กที่ไปแวะร้านที่ขายผลไม้ก็เลยไปจีป้เอาอ่อนอ่อนนี้อ่อนออนี้อ่อนหลวงพอ่อมอนแต่หนูไม่เอาเงินหรอก <c oughs> นี่ฉันไม่ได้จริงๆ มันเต็มลำคอไปหมดพอกลับไปถึงวัดตอนนั้นไปพักที่วัดเจ้ามูลใกล้ๆวงเวียนใหญ่เนะ่ไปถึงก็ถอดกีวนซักเลยเหม็นมันติดมนะัติดกีวนติดผ้าติดอะไรหมดอะไม่ได้เหม็นแต่เราก็คือต้องทำความสะอาดนี่ย อาถุปาอาถุปาอาถุปาตัวจริงไอ้ครั้งหนึ่งไปเตรียมถุงมือไปเรียบร้อยเลยถุงมือถุงมือยางอะ่ะยาวยาวหน่อยครับพอดีคิดว่าพอไปถึงคือเราจะจับที่ตรงนั้นตองที่ตรงนี้อันนั้นที่ตรงทำไม่ได้วันนั้นนายใหญ่ก็มาตรวจก็เลยเราก็ไม่ได้ปฏิบัติอย่างนั้น เนี่ยอาถรพะอาถรพะไอนี่เวลาเนี่ยเราทุกคนเวลาจะไปไหนต้องแต่งคิ้วต้องแต่งหน้าต้องทาปากต้องหวีผมต้องย้อมผมหน้ากระจกดูและทีนี้โอ้ยปีแแท้เลยกูเนี่กูปีแแท้เลยก็กวักลูกตาออกไป เอาน้ำยาที่ย้อมผมออกไปเอาควันปลอมออกไปอเสียเอาแก้มออกไปเอาจมูกออกไปเหลือแต่กระดูกหลวงพ่อก็เลยทำยังไงมันมีภาพภาพที่กระดูกก็ติดที่กระจกเลยแต่นี่ก็ยังอยู่ในห้องน้ำหลวงพ่ยังอยู่เลยอ้าวนี่กูมาอย่างนี้เองกูอย่างนี้เองนี่ดูตัวจริงก็คือตัวเราเองนั่นแหละ ที่เราว่าตัวเรานั่นแหละนี่อาถรุพระฉะนั้นไปเห็นหมาเห็นแมวเห็นสิงโตกระโลกเห็นคนเสียชีวิตอะไรอย่างนี้อาถรุพระโอ้ยวันนี้เราได้ลาบแล้วได้ราบแล้วนั่นต้องคิดอย่างนั้นเขาเรียกว่าดอกไม้พระคือดอกไม้ของผู้ปฏิบัติธรรมมีหลวงตาองค์หนึ่งชื่อยว่าหลวงตาเปลืองหลวงตาเปลืองอยู่นี้ อยู่แถวหันเทาแล้วพอเนี่ก่นอกนที่ท่านจะบวชหลวงตามีรถไฟมาแล้วก็ทับคนตายเละเทะแล้วก็ผ่านเลยท่านก็เลยเอากระสอบออาเลยไปถึงก็หยิบใสห่ใสหยิบใสหยิบใส่ต่อมาท่านก็ปฏิบัติถ้าหลวงพ่อว่าไม่ผิด ครั้งสุดท้ายท่านก็เป็นพระอราหันต์นี่เจนไหมท่านก็เป็นพระอราหันต์แล้วคนเชียงใหม่จะรู้จักหลวงตาเปื่องหลวงตาเปลืองหลวงตาเปลือกอ๋อนี่หลวงพ่อไปเชียงใหม่อ๋อนี่รูปหลวงตาเปลืองนี่นั่นเกิดท่านไม่ต้องรู้อะไรมากเราไม่ต้องเรียนมากหรอกนี่เรียนที่ข้างนอกแต่ก็เรียนข้างในเรียนที่ตัวเอง นี่มหาวิยาลัยที่ดับทุกได้มหาวิยาลัยของพระพุทธเจ้าดับทุกได้ไม่ต้องไปออกฟอร์ดไม่ต้องไปที่โนนที่นี่หรอกนี่ถ้าเรียนเรื่องดับทุกอยู่ตรงนี้เองไปไปหาไปหามาอยู่ที่เราเองเนี่คือการศึกษาฉะนั้นเรื่องของอริยสัจสี่คือความทุกข์อวิชชา เหตุเกิดของอวิชชาเกิดสังขารความดับของอวิชชาต้องดับที่สังขารคืออย่าไปคิดแต่ก็ไปปรุงแต่งไปยึดมั่นเถิดมันอวิชชาเหตุเกิดของอวิชชาความดับของอวิชชาหนทางให้ถึงความดับของอวิชชาอริยสัจสี่นี่คืออริยสัจสี่ลองไปคิดดูเลยอวิชชาคือตัวจิตโง่จิตโง่เหตุเกิดของอวิชชาก็คิดโง่โง่นั่นเอง เกิดเกิดก่อนวิจาคิดโง่โง่ปรุงแต่งโง่โง่สังขารเนี่ยแปลว่าปรุงแต่งกายสังขารวจีสังขารมโนสังขารกายสังขารก็เนี่ยเวลาเราถ่าคิ้วไปพรางท่าปากไปพรางมันก็คือโง่ไปพลาง น, นั่นนี่ก็ท่าหลอกหลอกไว้อย่างนั้นนจางมันก้าวสังคมเพราะสังคมมันเป็นอย่างนั้นนี่ ตอนแรกเราก็ทำหลอกหลอกปล่อยต่อป่อยมันก็จริงไงมันจริงปลอจริงแล้วมันจะไม่ทาแล้วทีนี้ไม่ทาไปะทาแป้งทาปูนอะไรนันก็ไม่ทาแล้วนี่ก็ยิ่งเห็นผีชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นเนี่ยเห็นผีเห็นผีชัดขึ้นชัดขึ้นแล้วก็ดูดูหน้าตัวเองนี่ถ้าลอกหน้าออกมันเป็นยังไงแต่ถ้าไปที่ร้านให้เขาลอกให้เขาหลอกให้เขาลอกอ่ะ มันไม่จริงหรอกอนั้นเอาลอกเองผิวหนังเอาออกเอาเนื้อออกอะไรมันจะเหลือเหลือแะไรกระดูกกจะมูกก็ไม่ใช่มันจะมีกระดูกมากกระดูกอ่อนๆ น, นิดๆเนี่ยที่แก้มคนนี้อร่อรยลองคลำดูที่มีพยานหลักฐานทั้งนั้นเลยทําไมโรากลัวผีตัวเองก็เป็นผีแล้วยังกลัวผีอีก เนี่ยเพรางโง่นั่นแหละมันเลยกลัวผีเขางโง่เนี่ยไอ้ถ้าผีมันมาหลอกกิ้งหลอกทํำยังไงอะ่ะทําตาโตเอาให้โตได้แค่นั้นเอรอโตกว่านี้อีกได้ไหม เ, เรามอกผีโตกว่านี้ได้ไหมอา้อาวแล้วทำไมไม่มีเท้าอ่ะ้าวสู้เราไม่ได้เอี่ยเท้าขาดเรามีสองเท้านุนปีเท้าขาดาบางทีก็นี่บาง เมือ่อก่อนนะหลวงพ่อจะนั่งไปนั่งที่หินโคง้งแต่ว่ามันใจะอย่างนี้หินโคง้งมีหินโคง้งมีศาลามุงจากไปนั่งที่ศาลามุงจากแล้วอันหน้าไปทางหินโคง้งประมาณตีสี่าพอนั่งนั่งนั่งก่อเดินเดินเดินเดินเดินเดินกันมาคนเดียวใจกางเกงขา ย, ยาว แต่ว่ารองเท้าไม่ใส่เอาชู้เราไม่ได้ไม่เต็มนี่ไม่เต็มเนี่ยทีนี้ผีหลอกลจะมีอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ไม่เต็มทั้งตัวหรอกจะไม่เต็มทั้งตัวมันจะขาดขาดทั้งนั้นบางทีก็มีแต่เสียงบางทีก็มีทั้งตัวแต่ปั๊บเดียวหายไปหายไปเลยเอาทำไม น, นี่แต่ก็ไม่จริงดิ แต่จริงมันต้องไม่หายไปดิพระไหว้พระเมื่อก่อนเพราะว่าเช้านี่ต้องพ่อต้องใข้าวให้หมาอะไรต้องให้พระทำวัดก่อนว่าคุณไปน้ำโมก่อนเนะ่เดี๋ยวผมไปที่หลังก็ได้ไม่เป็นไรเส็ดแล้วก็เดินไปไปที่ตรงกลางก็เนี่ยทางเดินยังไม่มีซีแพกหรอก เ, เงินที่ไหนมาซื้อซีแพร มีเงินนิดหน่อยก็รอคานไปก่อนเดินไปตามคานเดินเดินเดินเดินมันจำนานแล้วผพรมเดินทุกวันเนี่ยก็มองไปที่หินโค้งที่พระท่านนั่งอยู่นั่นแหละมีต้นไม้ใต้ปลายนิ้วก้อยได้ตอนนั้นเอาเว้นเอาไว้ต้นหนึ่งทางขึ้นพระก็อาลางกันอะไรกันหลงพ่อก็ไปเอ้ามาจากไหนเด็กผู้ชาย ใส่เชือก็กรมขีขาวพ่หลวงพ่อไปใกล้เว็บเดียวหายเลยอ้าวมันก็ไม่สู้เราที่อย่างนี้ครับทีนี้มันก็บอกเหตุว่าเออต่อไปพวกเด็กออที่มาประชุมกันที่นี้เพราะวันหนึ่งตั้งแปดห้องเรียนหลวงพ่อก็ต้องอบรมเด็กม .4 แปดห้องสิบห้อง แต่คิดว่าคนเดยคนหนึ่งมันเสียชีวิตไปมันก็มานั่งปนมืออยู่หลังเนนหลังเนนอยู่ที่หลังเนนแวบเดียวมันก็หายไปหลวงพ่อก็ไปนั่งทาวัดจนเสร็จแล้วก็บอกว่านี่ยังไม่ต้องกรวดน้ำก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยกรวดก็บอกให้พระเนนตันรู้ ก็ว่าต้องแผ่เมตตาให้เด็กคนนั้นนะอืก็เลยแผ่เมตตาให้เขาไปเนี่ยมันจะมีอย่างนี้แหละผีมันจะไม่ครบไม่ครบรบมันมีก็ไม่ครบผีนะแต่เรานี่ครบถ้าเก่งจริงเนละ้วให้ครบที่ไม่ต้องแกนขาดไม่ต้องขาด้วนไม่ต้องหัวขาดนั่นเนะี่ยผีมันไม่ครบเราครบกว่า ถ้าเราจะไปกลัวอะไรถ้าสติมันปัญญามันก็ไม่มีที่มันมาแสดงนั้นหมายถึงว่าเขามาขอส่วนบุญส่วนกุศลเราเราต้องแผ่เมตตาให้เขาทีนี้อย่างกับคนนั้นแหละที่เดินที่หลวงพ่อนั่งเลยก็เห็นเดินปเพ่อเพื่อเอเพเพ้มันอะไรในขณะนั้นเพราะหลวงพ่อก่อ ทำหินโก้งอยู่ยังไม่เสร็จเผาหินเผาหินที่ที่หลวงพ่อนั่งที่ตรงนั้นเนี่ยมันจะมีก้อนหินก้อนโตโอ้ทํำยังไงเอายางมายางล้อรถอ่ะอแล้วก็ใส่เข้าไปอยางล้อรถใส่เข้าไปเอาเหล็กกลุ่มแล้วก็กลับมานอนมานอนได้ยินเสียงกรงอร่อยเสียงดังกรง เดี๋ยนหลวงพ่อก็ไปนั่งสมาธินั่งสมาธิเสร็จแลไปดูหินมันเป็นยังไงอ้าวเพราะว่ามันอยู่ข้างบนที่หลวงพ่อนั่งที่ตรงนั้นเนี่ยมีนู้นไปลงไปอยู่ข้างล่างแล้วไปอยู่ข้างล่างอ๋อนี่ก็มารายงานในหลวงพ่อทราบเขาเทีบลงไปแล้วนี่เขาเทีบลงไปอยู่ตรงนั้นแล้วนั่นหลวงพ่อทอํายังไงทีเนี้ย กดหลุมเลยไม่ต้องเผแล้วไม่หมดขวางทีนี้ทำพิธีขวังดีที่ใต้โยมนั่งใกล้ๆหลวงพ่อที่ตรงนั้นเนี่ยนะมันจะมีหินก้อนโตนั่นคือเขาแสดงให้เรารู้แค่ว่าก็มีแก้วิญญาณเขาไม่มีอย่างอื่นที่เสือ่อเรารู้ได้นี่คือผีผีผีฉะนั้นผีเป็นผีตาย มีทางนั้นวิญญาณของเราวิญญาณทางตาทางหูทางจมูกลิ้นกายใจวิญญาณนั้นไม่ไม่ดับอเราไม่ปฏิบัติตามอริยามากแล้วก็ดับวิญญาณนั้นไม่เป็นวิญญาณนั้นไม่ดับไม่ดับกันโตเตะโตเตะกันอยู่อย่างนั้นในวิญญาณไม่ดับเราต้องดับวิญญาณก่อนตายนี่ต้องดับไปถึงที่สุดถ้าดับแล้วไม่ยึดมัน่นถึงมันวิญญาณนั้น มันก็ว่างไดทีพอดับด้วยติปัญญามันก็ว่างนี่เรื่องปฏิจจสมุปบาทได้ไม่ถึงสี่ตัวก็ใช้เวลาไปไม่ตำกว่าครึ่งกั้วโบงแล้วถ้าอาธิบายกันสิบสองตัวสงสอยข้ามก็ไม่จบ